ระไตรปิฎกเป็นพุทธพจน์มากน้อยเพียงใดถ้าจะถามว่าระไตรปิฎกเป็นพระพุทธพจน์มากน้อยเพียงใดตอบได้ทันทีเช่นเดียวกับกรณีพระอภิธรรมปิฎกว่าระไตรปิฎกไม่ใช่พระพุทธพจน์ทั้งหมดแต่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ศึกษาย่อมทราบดีว่าระไตรปิฎกไม่ใช่คาพูดของพระพุทธเจ้าทั้งหมด มีหลายสูตรที่เป็นเทศนาของพระเทระผู้ใหญ่บางรูปบางส่วนเป็นภาสิทธิ์ของเทวดาที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าเป็นสุภาษิทิเฉพาะสูตรในทีฆะนิกายสามสูตรมีสูตรที่เป็นคำพูดของสาวกไม่น้อยกว่าห้าสูตรไม่จำต้องพูดถึงนิกายอื่นๆซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากแม้พระสูตรซึ่งเป็นเทศนาของพระพุทธเจ้าเอง ก็มีถ้อยคำของผู้รวบรวมประหัวประท้ายด้วยเช่นพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใครที่ไหนมีเนื้อหาว่าอย่างไรหลังจากแสดงธรรมจบแล้วได้ผลอย่างไรส่วนที่ถือว่าเป็นคำพูดของพระองค์ก็คือตรงที่เนื้อหาสาระของพระสูตรแม้กระนั้นก็ตามก็เป็นการยกหรือคัดลอกข้อความ ซึ่งผู้ที่ยกหรือคัดลอกมาอาจจำมาผิดพลาดจากที่ตรัสจริงๆก็ได้แต่สาระยังคงอยู่ครบเฉพาะพระอภิธรรมปิดกนั้นหลักฐานแบ่งชัดแล้วว่าไม่ใช่คําพูดของพระพุทธเจ้าถ้าคําว่าพระพุทธพจน์หมายถึงคําพูดจริงๆของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกก็ไม่ใช่พระพุทธพจน์ทั้งหมดดังกล่าวมา แต่ถ้าหมายถึงว่าเป็นคําสอนของพระพุทธองค์หรือไม่ไม่น่าจะมีเหตุผลใดที่จะปฏิเสธว่าไม่ใช่เพราะวิธีตัดสินพระพุทธเจ้าทรงวางหลักการตัดสินพระธรรมวินัย8ประการไว้แล้วหลักตัดสินพระธรรมวินัยแปประการธรรมะเหล่าใดเป็นไปเพื่อหนึ่งวิราคะ คลายความกำหนัดไม่ติดพันไม่ใช่เพื่อความกำหนัดย้อมใจการเสริมให้ติด 2. วิสังโยคะหรือวิสังโยก ค, ความหมดเรื่องผูกรัตความไม่ประกอบทุกไม่ใช่เพื่อผูกรัตหรือประกอบทุกข์ 3. อัปปัจยะความไม่พอกพูนกิเลสไม่ใช่เพื่อพอกพูนกิเลส 4. ีอปิชตาความมักน้อยไม่ใช่เพื่อความมักมาก 5. สันตุถีความสันโดษไม่ใช่เพื่อความไม่สันโดษ 6. ปบวิเวกความสงัดไม่ใช่เพื่อความคลุกคลีอยู่ในมู่ 7. วิริยารัมภะการประกอบความเพีย ไม่ใช่เพื่อความเกียจคร้านแปสุภพรตาความเป็นคนเลี้ยงง่ายไม่ใช่เพื่อความเลี้ยงยากธรรมะเหล่านี้พึงรู้ว่าเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นสัตุศาสตร์คือคาสอนของพระาศาสดาตรงข้ามจากนี้ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่วินยัยไม่ใช่สัตตุศาสตร์ ศาตาจารย์แสงจันงามให้เหตุผลที่พระไตรปิฎกยังคงเป็นพระพุทธพจน์ไว้สี่ประการดังนี้หนึ่งตามธรรมเนียมอินเดียนั้นการถ่ายทอดเรื่องราวทางศาสนาด้วยปากไม่ใช่ทำอย่างสุขเอาเผากินแต่กระทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งและด้วยความเคารพอย่างสูงไม่ให้ข้อความใดๆผิดแผกไปจากเดิม ไม่เฉพาะข้อความเท่านั้นที่ต้องระมัดระวังแม้การออกเสียงคำต่างๆก็ต้องให้ถูกต้องตามอักษรฐานะกรอย่างเคร่งครัดต้องจำได้ขึ้นใจอย่างถูกต้องทั้งอัตตะและพยัญชนะเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนาฮินดูนั้นการออกเสียงคำว่าโอมคำเดียวอาจารย์อาจใช้เวลาหลายวันในการสอนสิทธิ์ให้ว่าได้ถูกต้อง วิธีการศึกษาทางพุทธศาสนาซึ่งได้รับอิทธิพลจากธรรมเนียมพรามณ์ก็คงจะเอาใจใส่ในการศึกษาถ่ายทอดอย่างระมัดระวังเช่นกัน 2. ข้อที่ว่าอาจารย์บางท่านอาจแทรกมติของตนลงในสูตรบางสูตรแล้วอ้างว่าเป็นพุทธพจน์นั้นอาจเป็นไปได้แต่คงมีน้อยที่สุด เพราะพระสาวกผู้คงแก่เรียนทั้งหลายย่อมมีความเคารพบูชาในคําสอนดั้งเดิมอย่างสูงไม่กล้าอ้างคําพูดของตนว่าเป็นพุทธพจน์ไม่กล้าถอนพุทธพจน์ดั้งเดิมดังเราจะเห็นได้ว่าพระสูตรส่วนมากมีสาระสําคัญหรือเนื้อหาแท้ๆเพียงเล็กน้อยแต่มีคําบรรยายซ้ําๆ ซ, ซากๆมากมายตามสํานวนนิยมสมัยนั้น พระสูตรที่มีความยาวส4มถึงสี่หน้าถ้าจะสรุปเอาเฉพาะเนื้อหาแท้ๆจะเหลือเพียงครึ่งหน้าเท่านั้นแม้กระนั้นพระอาจารย์ทั้งหลายก็ไม่กล้าตัดทอนคงจำสืบ ส, บ, สบกันมาอย่างนั้นด้วยความเคารพ 3. ตามประวัติการสืบอายุพระพุทธศาสนานั้นปรากฏว่าได้มีการทำสังคยนา ชำระพระธรรมวินัยเป็นครั้งคราวการสังคยนาก็หมายถึงการประชุมพระเทระผู้จำพระธรรมวินัยได้แล้วให้พระเทระรูปใดรูปหนึ่งสวดพระธรรมวินัยเท่าที่ตนจำได้ต่อที่ประชุมขณะนั่งฟังพระเทระอื่นๆก็คิดเทียบเคียงกับข้อที่ตนจำได้ถ้าได้ฟังข้อความใดผิดแผกออกไปก็ทักทวงขึ้น เมื่อมีผู้ทักทวงประธานในที่ประชุมก็ขอให้องค์อื่นๆสวดสูตรนั้นตามที่ตนได้เรียนมาที่ประชุมจะพิจารณาถกเถียงกันหลายแง่หลายมุมในที่สุดก็มีการลงมติเสียงข้างมากว่าข้อความนั้นถูกต้องข้อความนี้ผิดขอให้พระสงค์ทั้งปวงยึดถือตามข้อความที่ถูกตัดข้อความที่ผิดออกซะ แล้วส่งทั้งหมดก็สวดขึ้นพร้อมกันเพื่อยืนยันข้อความที่ถูกต้องนั้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากการทำสังคยนานั้นแล้วราเทระทั้งหลายก็นาเอาข้อความซึ่งที่ประชุมรับรองนั้นไปสอนสิทธิ์ต่อไปวิธีสังคยนาจึงจัดเป็นการกําจัดมติของเกจิอาจารย์ได้เป็นอย่างดีสำหรับคำว่าสังคยนา แยกออกเป็นคำว่าสังแปลว่าพร้อมกันบวกคายนาแปลว่าการสวด 4. เหตุผลประการสุดท้ายยืนยันว่าพระไตรปิฎกส่วนใหญ่เป็นพุทธพจน์คือเนื้อของพระไตรปิฎกลงรอยกันเป็นอย่างดีมีจุดประสงค์แน่นอนมีวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจุดประสง์นั้นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน แม้จะมีความคิดบางอย่างซึ่งสอดแสดงว่าไม่ใช่พุทธพจน์ทแทรกอยู่บ้างก็หาทำให้พระไตรปิฎกเสียเอกภาพแต่อย่างใดไม่คุณสมบัติเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคำสอนส่วนใหญ่ในพระไตรปิฎกมีแหล่งกำเนิดมาจากบุคคลคนเดียวกันคือพระพุทธเจ้าแม้จะมีวาทะของพระสาวกหรือมติของอาจารย์รุ่นหลังแทรกอยู่อย่างแนบเนียน ก็เป็นแต่เพียงคำอธิบายขยายความของพระพุทธพจน์ให้แจ่มแจ้งขึ้นไม่มีวาทะใดเลยที่ทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจไขว้เขวไปจากจุดมุ่งหมายและวิธีการปฏิบัติแบบพุทธแท้และดั้งเดิมในเทศนาเรื่องเพชรในพระไตรปิฎกท่านพุทธทาสพิกขุมองเห็นว่าในพระไตรปิฎก ยังมีส่วนที่ไม่ใช่พุทธพจน์อีกมากถ้าคิดเทียบเปอร์เซ็นต์ของส่วนที่ควรตัดออกสําหรับนักศึกษาทั่วไปควรตัดออกสาิเปอร์เซนเหลืออยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สหรับนักวิทยาศาสตร์นักศึกษาโบราณคดีครูบาอาจารย์ชั้นเลิศแล้วควรตัดออกได้อีกสาิเปอร์เซ็นเหลือสี่สิบเปอร์เซน์ส่วนที่ควรตัดออกคือเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์เช่น เรื่องราหูจับอาทิตย์ราหูจับจันทร์ข้อความที่เป็นไปในลักษณะสัสตทิฏฐิเป็นตัวเป็นตนเป็นคนคนเดียวเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นลักษณะทิฏฐินอกพุทธศาสนาและในขั้นสุดท้ายพระอภิธรรมปิดกทั้งหมดควรตัดออกด้วยทีนี้ที่เหลือสี่สเปอร์เซ็นก็มาเลือกเฟ้นได้โดยง่ายพบเครื่องขุดเพชรแล้วก็ขุดเพชร พบเพชที่เรียกว่าหัวใจของพระไตรปิฎกคือเพชเม็ดเดียวได้แก่หลักคำสอนและวิธีการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสำหรับท่านพุทธทาสพิคุเครื่องชี้บ่งว่าเป็นพุทธพจน์หรือไม่ของพระไตรปิฎกไม่ได้อยู่ที่ข้อความนั้นๆเป็นคาพูดของพระพุทธเจ้าหรือไม่ หากอยู่ที่สาระของคำสอนนั้นๆเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ได้จริงหรือไม่